พอเราเวลานี้หาครูใหญ่ได้แล้วความจริงครูใหญ่ท่านนอนอยู่ใกล้ๆแต่ผมมองไม่เห็นเองสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่าน a l l a ตั้งใจฟังเวทนานุปัสนนามหาสติปัฏฐานผมจะข อ, อนำมาพระพุทธคดบทพมบาลีที่องค์สมเด็จปจินสีุรมาสสัตตนาสมาสมุทสยาทรงตรัส มาแปลออกเป็นภาษาไทยแต่วแปลในปัจจุบันสำนวนมันไม่เพาะก็ขอ อ, อภัยด้วยมิฉะนั้นเดี๋ยวก็จะหาว่าผมสร้างธรรมะมาสอนเองให้กล่าวว่ากระทันจะพิกวีพิคุซึ่งแปลเป็นใจความมาดูก่อนพิสุทลายก็อย่างไรพิคุ ยิสุย่อมพิจรารณาเห็นเวทนาคือความสวยอารมณ์คำว่าเวทนาเนี่ยก็ได้แก่อารมณ์ที่เราเข้าไปสัมผัสเ้าตามบ า, บาลีท่ะเรียกว่าสวยอารมณ์ในเวลาในเวนักคือว่าสวยอารมณ์ในเวทนายัาย่นอยู่เนียงเยง ให้กล่าวว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจในพระธรรมวินัยนี้เมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอนทุกขมสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข ก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาคือไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันเฉยๆใจมันว่างว่างสบา ย, บายหรือเมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอามิตรคือเจือวิเดกรรมมคุณก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยสุขเวทนาที่เจือวิเดอมิตรคือกรรมมรรคหรือเมื่อ <c oughs> หรือเมื่อเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีวิอมิตรคือที่ไม่เกี่ยวปฏิการมาคุณก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีวิมิตรหรือเมื่อเสวยสุขเมื่อเสวยทุกเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิตร หรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรหรือว่าเสวยทุกขเวทนาอทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาทุกขมาสุขเวทนาที่มีอมิตรอทุกขมาสุขทในหมายความว่าไม่ทุกไม่สุข หรือ ว, ว่าสวรรค์อุทกเวทนาอุทุกรรมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตกรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราสวรอทุกรรมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรดัง น, นี้พิสูจย่อมพิจร า, า, า, าจรณ า, า, า, า, า, าเห็นเวทนาภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นภาเห็นเวทนาภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็เวทนาทั้งภายในและภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในเวทนาบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาบ้างก็หรือสติว่ามีเวทนานี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะภายในเจตเธอ แต่เพียงสัจวรรเป็นที่อาศัยสัวธร่าเป็นที่ระลึกเราย่อมไม่ติดอะไรอะไรทั้งหมดในโลกด้วยดูก่อนวิสุทธิทั้งหลายเธอย่อมพิจารณาเวทน า, นาในเวทนาเนีองๆโดยอย่างนี้ <c oughs> นี่ผมเอามาอ่านให้ฟังเพราะเป็นการป้องกันท <c oughs> ี่จะหาว่าผมสร้างธรรมะขึ้นมาสอน s เอง จะกลายเป็นว่าไว้เขาลือกันนะว่าเวลานี้ผมกลายเป็นพระพุทธเจ้าไปองค์แล้วเขาลือกันว่าสร้างธรรมะขึ้นมาสอนเนี่ยความจริงนี่ไม่ใช่เข้าใจพลาดธรรมะใดๆที่สอนท่านก็นำมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมไม่จะสับปันญูแล้วมันนั่งพิจารณาคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเมื่อสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสวยสุขเวทนาเมื่อว่าสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าสวยทุกขเวทนาหรือว่าเราไม่มีความสุขก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีก็รู้ชัดว่าเวลานี้มันเฉยๆไม่มีทั้งความสุขแต่ความทุกข์ตอนนี้เป็นอนว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้มาพิจารณาถึงอารมณ์ที่เราสัมผัสเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสเป็นสําคัญเวลานี้เรามีสุขหรือว่าเวลานี้เรามีทุกข์หรือว่าเวลานี้เราไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีอารมณ์สบายสบายอารมณ์สบายสบายนี่เขาเรียกโอเบขาลม อารมณ์ไม่เกาะหน้าอารมณ์อารมณ์ไม่เกาะสุขอารมณ์ไม่เกาะทุกข์มีจิตเป็นจิตที่มีความสุขมีอารมณ์ว่างคําว่าว่างในที่นี้คือว่างทั้งกุศลธรรมและว่างทั้งอกุศลธรรมคําว่ากุศลเป็นจุดที่เกาะไม่มีสําหรับจิตหรืออกุศลที่เกาะไม่มีสําหรับจิตเป็นจิตที่มีอารมณ์เป็นสุขอย่างยิง่ง อารมณ์ตอนนี้เป็นอารมณ์ที่เราต้องการอย่างที่ท่านท ห, หลายเจริญพระกรรมฐานจุดใดจุดหนึ่งจิตไปเกาะภาพแสงสีบ้างจิตไปกาะอารมณ์อะไรต่ออะไรบ้างอันนี้ที่ถือว่ายังไม่ดีจิตจะมีความวุ่นอยู่แต่ว่าจิตมีความเฉยเฉยมีความสุขเยือกเย็นอันนี้จิตตรงนี้เราต้องการ มีการที่ไดเวยสุขแสวยทุกมันยังเป็นโลภีวิสัยยังไม่เชื่อว่าเป็นจุดความดีเป็นจุดความเด่นในพระพุทธศาสนานี่มันดูต่อไปทั้งกล่าวว่าเมื่อเสวยอัตุก็ามาสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์ก็กวว ร, กก ร, รู้ชัดว่าเราเสวยไม่สุขไม่ทุกข์นี่ต่อไปทั้งกล่าวว่าหรือว่าเสวยสุขเวทนาที่มียมิคือเจือวิเดกาเมคุณก็รู้ชัดว่า สวนสุขเวทนาที่มีอมิตรเป็นสำคัญคําว่าเวทนาแปลว่าสเสวยอารมณ์อารมณ์ที่มีความสุขความสุขที่มันเกิดขึ้นกับใจก็ได้แก่สิ่งของที่เรามีอยู่หรือว่าคนหรือว่าสัตว์คําว่าอมิตรเนี่ยต้องมีเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเป็นวัตถุเป็นวัตถุที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม ถ้าเราได้มาเรามีความดีใจในเรื่องนี้ว่าสิ่งนี้ที่เราปรารถนาเราได้แล้วอย่างนี้เรียกว่าสุขเวทนาที่เจือพุวธะมิตรคือกรร ม, มคุณปริ้นของไม่ดีนะครับขอบอกไปเลย <c oughs> ถ้าเรามีความดีใจพร้นได้ของที่เป็นน้ำได้ของก็มาที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม เรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรานี่มันเป็นของไม่ดีนะครับให้พยายามพิจารณาให้รู้ว่าเวลานี้นะจิตของเราไปเกลื่อนกล้วกกรรมมคุณหรือเปล่านี่เมื่อรู้แล้วก็ต้องหาทางละกรรมมคุณไม่ได้หมายถึงผู้หญิงหรือไม่ได้หมายถึงผู้ชายเสมอไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติของโลกที่เราได้มา มันเป็นวัตถุชื่อว่าเป็นเรื่องของกรรมมาคุณกรรมมาแปลว่าความใคล้คือเป็นรูปสวยเสียงเพราะกิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสตามที่ประสงค์เพิ่มน่าของกรรมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ดีถ้ารู้สึกเวทนามันเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องหาทางตัดตัดเจียนได้สุกบกรรมฐานในนี้ไม่มีสินะ ก็ต้องตัดเช่นด้วยดั่มนาฏหนึ่งปฏิโกสัญญาหรือว่าธาตุสี่หรือว่านาวัสีเก้าย้อนหลังเข้าไปตามที่เราเรียนมาแล้วว่ากามาคุณมันเกิดขึ้นเพราะว่เรามีความลหลงไหลฝ่ายฝันผิดคิดว่าของทุขกข์เป็นของสะอาดคิดว่าของที่มันไม่เที่ยงเป็นของเที่ยง คิดว่าเป็นของที่จะต้องสลายตัวคิดว่ามันจะไม่สลายตัวนี่เป็นอารมณ์ผิดเราก็เลยใช้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเข้าประหัตประหารเสื่อทันทีนี่หมายความรู้เวท น, นาที่เกิดในอารมณ์จงกระทั่งอารมณ์ของเราไม่เกาะในกรรมคุณนั้นมีความรงเกียดในกามกคุนเรียกว่านิพิทายาน เม้จิตเข้าถึงสังขารุเปเกขายานมีอารมณ์วางเฉยไม่เนื่องเลกามาคุณทั้งหมดอย่างนี้ถ้าจิตเคยึ้นอย่างนี้ใช้อย่างนี้นะครับอารมณ์นี่พูดาอารมณ์ไม่ใช่จิตอารมณ์มันก็มาจากจิตแต่ว่าด่านจิตท่านมาไหว้ว่าไว้อนหนึ่งที่จะไปซ้ากัน อันว่าต่อไปหรือ ว, ว่าสเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอวิชไม่มีอมิตรคือไม่เจอได้กรรมคุณก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราสเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอ ม, ม, มิตรนี่สุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรเป็นยังไงที่ไม่เจอได้กรรมคุณก็ได้แก่อารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในศีลอารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในสมาธิ อารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในวิบัสนายานนี่อย่างหนึง่งสูงไปนิดไหมครับถ้าสูงไปก็ลดไปหน่อยหนึง่งอารมณ์ที่เรามีความพอใจอยู่ในจรณะทั้งสิบห้าประการเราจะทำดีครบถ้วนถึงเต็มระดับหรือไม่ก็ตามแต่ก็ยังทำอยู่ เมื่อขึ้นชีอว่าจิตของเราน้อมเข้าสู่ในธรรมที่องค์สมเด็จพระบรมโกมีความต้องการหรือว่าจิตของเราตั้งมั่นอยู่ในพรมวิหารสีจิตก็มีความสุขที่ไม่เจอไปดิการมคุณหรือว่าจิตของเรามีกำลังใหญ่เพื่อทรงอิทิบาททั้งสี่ประการระหัสประหารความชั่วให้คนไปจากจิต ถึงแม้ว่าจะพ้นไปไม่นานเพียงแท่กระตาทางกับปรหารที่โช ค, คราวก็ยังมีคนมีประโยชน์ชีวิจิตมีความสุขสุขที่ไม่เจือพ้นไปด้วยอมิตรคือกรมกคุณเพ่งกล่าวต่อไปว่าหรือว่าสุขเนว่าหรือเมื่อสเสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดอยู่ว่าเวลานี้สเสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตร ให้ทุกเวทนาที่มีอมิตรฎีนหมายความว่าของที่เราได้มาคนที่เราได้มาสัตว์ที่เราได้มาเราได้มาทีแรกพอเข้ามาแล้วมันก็เกิดความเดือดร้อนต้องปกครองกันต้องเอาอกเอาใจกันต้องระมัดระวังรักษาวัตถุทุกอย่างไม่ได้คนยิ่งคนหรือสัตว์มีความร้ายแรงมากก็ต่างคนต่างมีความคิด ถ้าเราได้คนที่มีความเห็นผิดไม่เคารพตัวระเบียบวินัยศีลสมาธิปัญญาความหนักใจไม่จะเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องถือว่าเป็นกฎธรรมดาคนเกิดมาในโลกแล้วที่จะหนีอการอย่างนี้ไปมันคนมันหนีไม่ได้เพราะไม่เกิดมาเป็นคนมันก็ต้องอยู่กับคน เกิดมาเป็นคนแดงของคนมันมีสัตว์มันก็ต้องอยู่กับสัตว์ด้วยเกิดมาเป็นคนมันเป็นแดงของวัตถุก็ต้องอยู่กับวัตถุและหนีมันไม่ได้ในเมื่อทุกประเภทนี้เกิดขึ้นเราก็หวนกำลังใจสมมติว่าการทรงชีวิตอยู่นี่ไม่นานไม่ชาแนานเท่าไหร่ชีวิตของเราก็จะมันไหลคือพิพินาจไปจมไ ป, ไปในดิน ในเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นโดยอามิตรประเกศนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าสิ่งใดที่เราควรจะรักษาไว้ได้ก็รักษาไว้ถ้ามันเป็นปัจจัยเกิดทุกข์มากขึ้นก็กําจัดมันไปเสียถ้าเป็นวัตถุก็โยนทิ้งเป็นคนนั้นใส่ก็เลิกคบเป็นอันว่าเราหาทางหลีกหาทางเลี่ยงให้พ้นจากอารมณ์ทุกข์หนักที่มันไม่ควรจะทุกเกินไป แต่ว่าถึงกระไรก็ดีถ้าการปกครองคนนึอครูอยู่คนคนอยู่ด้วยกันโหมมากหรือว่าเรามีวัตถุเป็นสมบัติมันก็มีอารมณ์ทุกข์เป็นของธรรมดาทางนี้ก็เว้นไว้แต่อารมณ์ของพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านไม่มีความทุกข์ท่านถือว่าสภาวะของโลกปกติมันเป็นอย่างนี้ท่านก็ใช้อุเบกขาญาณทีสังขารรูปเอขญาณเขาครอบงําตัด ความพอใจในวัตถุท้งหลายต่างๆเสียถือว่าเป็นอารมณ์ปกติมันมีมาก็มีไม่มีก็แล้วไปแต่ว่าถ้าคนไม่ดีนะพระพุทธเจา้าถึงก็อไมเอาไว้อำนาจขอท่านอย่างท่านพระวกระลิไม่สนใจนะับธรรมวินยัยพอใจในความสวยสดงดงามพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าก็ทรงไล่ออกจากสำนักอย่างพระชนะเป็นคู่ทุกคููยากมาตันงแต่ก่อนบวชเป็นสหชาติในเมื่อไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสัสธารมก็ทรงสั่งให้สงลงภุมทันคือไม่คบหาสมาคมด้วย่าไปหาใครก็ห้ามไม่ย่าไปพูดด้วย มาเร็วแล้วจงอย่คบถ้าเขาดีแล้วจึงคบนี่เรานี่ก็เหมือนกันในเมื่อไอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีชีวิตตัวดีไม่มีชีวิตก็ดีถ้ามันเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์มากเกินไปแล้วก็เวียงมันทิ้งไปเสียอย่าไปสนใจอย่าไปอะไรในมันถ้าคืบบ้าอะไรในมันเข้ามันก็จะทําให้เราต้องตกไปสู่อบายมว หรือว่าเวียนไหตายเกิดในวัฏฏะยงใหย่เข้าไปยึดถือเมือ่อบรรจงกล่าวต่อไปว่าหรือเมื่อสวัสดิสุขเวทนาที่มีอมิตก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราสวัสดิสุขทุกเวทนานั้นไม่เสื่อมุกให้ทุกข์กว่าไปแล้วนี่ว่าต่อไปอีกว่าหรือว่าสวัสทุก กเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรทุกขเวทนาที่ไม่มีอิรมิตรก็ได้การลมวิตตกคิดว่าวันพรุ่งนี้จะมีกินไหมวันพรุ่งนี้เจ้าหนี้จะมาทวงไหมวันพรุ่งนี้จะมีอันตรายมาถึงเราหรือไม่เวลานี้ใครเขาจองล้างจองฝ่านกันบ้าง เราจะมีสภาพภาวะไป็นยังไงวิตกถึงลกูกวิตกถึงหลานที่อยู่ห่างไกลจะมีความสุขหรือความทุกข์ในเวลานั้นไม่มีของยุคนาจะนั่งนึกไปเองตารมนั่งนึกขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเรื่องธรรมดาอย่างนี้จะสนใจเพื่อประโยชน์อะไร มันจะมีหรือไม่มีมันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราแก้ไขไม่ได้ถ้าสิ่งใดถ้าเป็นกฎของกรรมเราก็ไม่สนใจเราเองเราก็ไม่สนใจในขันห้าคือร่างกายของเราเหมือนกันเราก็ไม่สนใจในโลกธรรมทั้งแปดรายการมันจะสุขมันจะทุกข์ก็ช่างพวมันเราเกิดคนเดียวเดียวกตายตายแล้วคนแล้วันไป คำว่าแล้วกันไปก็หมายความว่าเราก็ไม่ติดใจในคันห้าต่อไปปล่อยให้มันตายตายแล้วก็เลยกันคือที่ว่ากันห้าแบบนี้ไม่มีทาจิตให้สบายถือว่าเวลานี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังไม่แก่แต่เตรียมจิตไว้แก่คือว่าความวางเฉยในเมื่อกฎของกรรมเกิดขึ้น ฟางกันต่อไปทั้งกล่าวว่าหรือเมื่อเสวยอาทุกขมสุขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยอาทุกขมสุขเวทนาที่มีอมิตรเขาอาทุกขมาสุขแต่หมายความว่าทั้งไม่สุขแล้วก็ทั้งไม่ทุกข์อารมณ์มัยสบายที่มีอมิตรหมายความว่ายัางไงหมายความสมมติว่าเราเป็นนักเจริญกสิณจับภาพกสิณขึ้น หรือว่าเรานัเป็นนัเกเจริญพุทธานุสติกรรมฐานจับภาพพระพุทธรูปขึ้นเมื่อภาพนั้นปรากฏชัดอารมณ์จิตมีความสุขก็อารมณ์จิตเป็นฌานอารมณ์จิตก็ทรงตัวมันก็มีความสุขแต่ว่ามีอามิสเปิงเชิงเกาะก็ได้เกิดรูปของกสินหรือว่ารูปของพระพุทธรูปเป็นตน อย่างนี้ได้ว่าสวยอทุกขรมสุขเวทนาที่ไม่มี ท, ที่ที่มีอมิมิท่านกล่าวต่อไปว่าหรือว่าเมื่อสวยอทุกขสุขเวทนาที่ไม่มีอมิมิก็รู้ชัดว่าเสวยอทุกขรมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรอันนี้ก็ได้แก่วิปัสนาญาณว่าเราไม่สุขเราไม่ทุกข้ออะไรเพราะว่าเราไม่มีอารมณ์ใจยึดถืออะไรทั้งหมดในโลก คือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกคำว่าเราและของเราเราถือกันนะักกันหนาะว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีความสําคัญที่สุดคือร่างกายเปราเรารักจริงตอนนี้เราก็พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ควรใช้ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเรือนร่างกายเป็นที่อาศัยของจิตทั่วกราวเจ้าศัต่ว่าอาศัยมันเท่านั้น ย้อนกับัปหาในตอนต้นว่าร่างกายมีอะไรบ้างคือหนึ่งปฏิคูลอาการสามิบสองเต็มได้วยวความสุขปรกธาตุสี่ร่างกายมีธาตุน้ำน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไปชมกันชั่วคราวเท่านั้นแล้วมันก็เสื่อมโทรมเป็นปกติธาตุสี่มีสภาพมันซ่าศพในป่าชา้าร่างกายนี่มีสภาพมันซ่าศพในป่าชา้า มันเป็นขอหน้าเกลียดมันเป็นขอหน้ากลัวเราไม่ควรปรารถนาในมันเราจะตัดภาระมันเสียโดยเราไม่ยึดถือว่ามันว่าเป็นเราเปของเราที่เมื่อร่างกายนี้เมื่อมันสลายตัวไปแล้วเมื่อะไรก็ช่างมันมันจะมีความสุขมันจะมีความทุกข์ตามสภาพของมันก็ช่างมันสิ่งใดที่แก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ไม่แก้ไข ท่านกำลังใจให้เป็นสุขท่านกำลังใจให้มีความเบื่อหน่ายว่าร่างกายสุขปรกมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันจะต้องสลายตัวไปในที่สุดมันไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่อานาจของเราเ่านกล่าวต่อไปว่าดังนี้พิสุย่อมพิจรารณาให้เวทนาในเวทนาคือภายในบ้าง ใหเวทนาในภายในก็หมายความว่าพิจารณาเห็นเวทนาในกายของเรานะในจิตใจของเราว่าเวทนาอย่างนี้มันเป็นธรรมดานะพวกคนที่ทรงกันหา้าจะต้องประสบเราไม่มีความพอใจในกันหา้าเวทนาจะได้ไม่มีนั่นเองกล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นใบฝัยนอกบงัง นั่นก็พิจารณาว่าเรามีความรู้สึกทุกอย่างนี้สุขอย่างนี้มีลมกลุ่มอย่างนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราเป็นอันว่าเราก็ดีเขาก็ดีไม่มีใครมีความสุขเป็นคนที่ประกอบปด้วยความทุ ก, กข์ท่าเกาะกันห้าเรือว่าทุกในด้านของอริยสัจถ้ายังหลงไหลไฝ่ฝันอยู่ในคันห้าเพียงใดเราก็ต้องมีความทุกข์อยู่เสมอ เขาก็มีสภาพเช่นเดียวกับเราจะสนใจอะไรกับสำหรับเราหรือเขาข้อต่อไปเึงกล่าวว่าย่อมพิจารณาในเวทนาในเวทนาทั้งภายในบ้างทั้งภายนอกบ้างคือมีความรู้สึกว่าเรากับเขาคนภายนอกมีเวทนาอย่างนี้เหมือนกันต่างคนที่เกิดมาแล้วต่างคนต่างไม่มีความสุขทุกคนแบกบทุกอยู่วันยังค่าคืนยังรุ่ง มันจะมีความดีอะไรสําหรับการเกิดท่านกล่าวโด ว, ว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปบ้างย่อมพิจารณาเธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปบ้างนี่หมายความว่าเวทนานี่มันไม่ส่งตัว เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกเดี๋ยวมันก็ว่างใจกระมม์ไม่ก่อสุขไม่เกาะทุกมันไม่มีสภาพ <c oughs> มันไม่มีสภาพกีรังย่างยีอะไรให้ปรากฏแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบ ร, รมศรีก็กล่าวว่าหรือก็สติคือนึกว่าเวทนามีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกิดเทือนั้น มีหมายกว่าเวทนาใดๆก็ตามที่มันจะเป็นสุขหรือมันจะเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ <c oughs> เพราะอารมณ์ของปุตุชนนั้นที่มาตั้งอยู่คือมันทรงอยู่จะพ่อหน้าเราไม่ใช่ตั้งอยู่คนหน้าความจริงมันตั้งอยู่ในใจหน้าคือหน้าใจท่านบอกว่าให้พิจารณาเพียงว่าสักแต่ว่าเป็นที่รู้เท่านั้น หรือว่ารู้ว่าเวลานี้มันสุขรู้ว่าเวลานี้มันทุกข์หรือว่าเวลานี้ไม่สุขไม่ทุกข์มันมีความสุขเพระอาศัยอมิตรกามคุณหรือว่ามีความสุขเพราไม่อาศัยอมิตรมีความทุกข์หรือมีเพราะอาศัยอมิตรหรือมีความทุกข์ที่มาอาศัยัำอมิตรเราจะไม่ยึดถือมันเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ถือรับประสาระว่ามีความสําคัญ ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเวทนาทั้งสามราการที่เราจะต้องทิ้งเราต้องการคือพระนิพพานต่อไปองค์สมเด็จพระวิชิตามารทรงตรัสว่าเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอไรในโลกโด้วยคือไม่ยึดถือในเวทนาด้วยและก็ไม่ยึดถืออะไรอรทั้งหมดในโลกโด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุ ย่อมพิจรารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆอยู่อย่างนี้ <c oughs> นี่หมายความว่าในเมื่อเราไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งหมดเวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้คําว่าช่างมันคําว่าช่างมันคือเราไม่สนใจแล้วก็ไม่ยึดถือ เ, เมื่อไม่ยึดถือเวทนาแล้วก็ไม่ยึดถือทุกอย่างในโลกจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดี จะเป็นวัตถุคนดีเราไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเราเป็นของเราถ้ารมปล่อยอย่างนี้บรรดาท่าพุทธบริษัทธ์หลายท ร, ราบหระอเปล่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนในด้านสมถะในเบื้องตน้นถ้าตอนท้ายสอนในด้านวิปัสนาญาณใช้อารมณ์ละใช้าอารมณ์ปล่อยเป็นอารมณ์ของพลิตภัณฑ์คือว่าจิตเราไม่เกาะในเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ แล้วก็ไม่เกาะเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เกาะเวทนาที่มีอามิตรหรือไม่มีอมิตรแล้วก็ไม่เกาะทุกเสียงทุงอย่างในโลกถ้าอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้ได้นั่นคือเป็นสภาวะของพระรา ห, ารหันอัลบรรดาพระโยคาวจรหลายคําแนะนํนากันสําหรับในเดีอนมหาสติปฐานาสูตร ในเวทนานุประสนามาหาปฏิปัฏฐานสําหรับคืนนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบรรดาท่านพยโยคาวจรทั้งหลายจงปฏิบัติด้วยจริยาเพื่อเพื่อว่าจริยาตามที่ท่านต้องการหมายความจริยาบทที่ท่านต้องการจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินเป็โนโยมโกงก็ได้จึงกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี